การเมืองเรื่องเละการเมืองเรื่องกิเลสท่า น, นี้เอาไปแก๊กห น, น่อยนี่นี่นี่เอาไปแก๊กนะ่เก๋าอนไรนะตัวนี้นิดยือใส่ได้ยืนขึ้นมองดูตัวนี้นิดตัวนี้นิดมากไห ม, ม, ามาตัวนี้นิดมากมองดูมากไหมเราตัวนี้นิดเอาขึ้นไปแจกพรอให้ชม ยังไปจกระยืมไปแจกผ้าอีกปะไปแจ้าอีกฮะฮะไ่ทังแถวบ่สมมเีเนี่ยสามเนีเนี่ยมัดกลมหรือบ่บอเลน่อยตัวนิดนิดตัวนิดเลยแล้วเขากินได้หรือบ่ แล้วนั <görüş> ว่พระยะซื่ว ไ, ไปกินหมดพรจ้าพรเจ้าโง่ตายแล้ยปอยพระยะซื่วไปกินหมดปล่อยให้แม่กลางเขนเอาไปกินมดที่นี่คนกรุงเทพมีกี่คนอยู่นี่ยกมือขึ้นคนกรุงเทพคนกรุงเทพยกมือขึ้นคนกรุงเทพยกมือขึ้นคนกรุงเทพยกมือขึ้นยกมือขึ้นคนกรุงเทพ ไม่มีไม่มีก็พูดภาคอีสานอะเออแม่ชีเป็นคนกรุงเทพเรอนะฮะไรเกาะเออไรยองก็คนไทยเหมือนกันคนคนจะมีพาคกันสันใชไปมสันจะกันไป ทันเานเดยวมันจะลุกหนีพักการทันให้มันมัดนะคนเถ่าแล้วมดเวลากินมดเวลานั่งมัดเวลานอนมดเวลานึกเวทมดเวลาคิดจนมุมอุปมาคือมาเข่าลีจนมุมละเถ่าปันนี่ลเขามันชาเว่นมันพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็หนึ่งทุ่มแล้วคนจะมีมากจากเพียงไหนก็นตามก็ยน่นลงมาเป็นธาตุดินน้ำไฟลงส่วนจิตใจ ย, ยน่นลงมาห า, ากุศลธาตุคือบุญหรืออกุศลธาตุคือบาปซึ่งมีอยู่ในหัวใจแต่ละท่านแต่ละคน ที่ทำน้อยและทำมากตามจิตของใครความมัแต่ละท่านแต่ละคนย่นลงมาเป็นหนึ่งเอกคือจนลงมาเป็นสองก็คือรูปสังขาร น, นามสังขารหรือรูปประาธาณา ม, มาาธาตุหรือรูปประโลกนามะโลกหรือรูปอินซีนามอินซี หรือรูอปรรมนามมารมย่นลงมาเป็นสองย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือมโนภาพย่นลงมาเป็นสูตรพระสูตรก็ซื้อสูตรใจพระเวไนใจพระประมตัตจใจ ยน่นลงมาหาที่ใจแปดมืนชีพระธรรมขันยน่นลงมาที่นั่นพุทธคำสงฆ์ก็รวมลงมาที่ดวงใจธารวัตสีสวัตภาวนาวัตก็ยน่นลงมาหาที่ใจความดีความชั่วยน่นลงมาหาที่ใจเพื่อจะปฏิบัติง่ายถ้ากระจุยกระจายกันอยู่ก็ปฏิบัติยาก ตัวจากเวทีแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติยากที่ไม่ย่นลงมาก็อุปมาที่ปล่อยให้โคไปกินหญ้าที่ย่นมาก็ตอนเ ข, าข้าคอกคอกก็คื อ, อคอกใจททำบุญแล้วก็มาอยู่อคอกใจททำบาปแล้วก็มาอยู่อคอกใจใจเราเคยใจเราเคยได้ทำบุญอะไรไหวก็ต้องตรวจดูของใครของมัน ถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจพุทธธรรมสงถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจถ้าไม่ถือพุทธธรรมสงพุทธธรรมสงก็ไม่มีอยู่ที่ใจถ้าไม่รบเขารพพุทธธรรมสงพุทธธรรมสง์ก็ไม่มีอยู่ที่ใจถ้าเขารบทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาก็อยู่ที่ใจมีศีลตัวเดียวมีสมาธิตัวเดียวมีปัญญาตัวเดียว มีนิพพิธาเวราคะวิมุตติสุทธิตัวเดียวเป็นระดับไปถ้าพ้นก็พ้นจากใจถ้าไม่พ้นก็ไม่พ้นจากใจโลคก็อยู่ที่ใจโกรธก็อยู่ที่ใจหลงก็อยู่ที่ใจนอกจากใจไม่มีโรคโกรธหลงจะมาอาศัยอยู่ได้มันไม่ป ม, มปอาศัยอยู่ที่ดินน้าฝ่ายลมฝายนอกมันมาอาศัยอยู่ที่ดวงใจของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลาย ที่ท่องเที่ยวมาในวัตาสงสารใจอันเดียวอันเปรียวไม่มียติมิตรไม่มีที่พึ่งถ้าใจไม่มีไม่มีที่พึ่งใจใจจะไปพึ่งตาพึ่งหูพึ่งแกนมูกพึ่งลิ้นพึ่งกายก็พึ่งได้ชั่วคราวเท่านั้นหมดกำลังก็พึ่งตนเอง แกมาแล้วพึ่งตาตาก็าฟางซะพึ่งหูหูก็ไม่ได้ยินซะพึ่งกายกายก็ลุกไม่ได้ไปไม่เป็นจนถึงกับนอนคาที่ใจก็ต้องพึ่งใจถ้าใจได้สร้างกุศลผลบุญไว้ใจก็ระลึกถึงถ้าไม่ได้สร้างกุศลผลบุญไว้ใจก็ไม่มีสิ่งที่ไ ล, ลึก คำสอนยอดลงรวมมาหาใจแห่งเดียวจึงไม่กระจุยกระจายถ้ามากก็มากลงที่ใจถ้าทำดีมากก็มากลงที่ใจถ้าทำชั่วมากก็มากลงที่ใจไม่ได้มากไว้ที่อื่น <c oughs> พูดง่ายๆฟังง่ายๆปฏิบัติง่ายๆคำเีลิ้วล่ำก็คำเภี่ใจขันธมารมา น, มานคือปัญจขันธ หัวนาปัญจขันต์ก็คือใจคือวิญญาณขันต์กิเลสมารมารคือกิเลสก็ทรงอยู่ที่ใจถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารอภิสังขารสารบุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไ ม, พพพพม่มีอยู่ที่ใจ ปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจอเนินชาพิสังขารอภิสังขารคือเนินชาคือสมาธิสมาบัติสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจชาดังแปลว่าเพ่งอยู่ที่ใจสมาธิแปลว่าตั้งมั่นลงที่ใจในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเรียกว่าอเนินชาพิสังขาร มารฮามารห้ า, า, หาเทวบุตรมานมารคือเทวบุตรใครเป็นเทวบุตรก็คือใจปารถนาเทวบุตรถ้าใจปรารถนาเทวบุตรก็ยังไม่ถึงพระนิพพานง่ายก็จะไปเสด็จเสวยเป็นเทวบุตรอยู่จึงเรียกว่ามารผู้ปารประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทวบุตรเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติได้แต่ว่าเป็นนิสยัยทะเป็นอยู่ มัดจุมานมานคือเพราะนั่นนะอันนี้หมายถึงกายอันนี้เพราะใจตายไม่เป็นถ้าจะทำดีก็ความตายมาถึงก่อนซักเลยไม่ได้ทำความดีเช่นอาลารดาบทอุธธรรทกดาบุตรามุตทนั่นท่านได้สมาธิสมาบัติถึง เนวสัญญานาะสัญญายัตนะแล้วแต่พระบระมศาสตร์จจได้จะไปโปรดองค์ท่านองค์ท่านก็สิ้นลมปานไปซะเรียกว่ามัจจุมาลมามรมณะตายไปก่อนถ้าไม่ตายไปก่อนก็จะได้ถึงพระสวสดาบันวะเนี่ะโอ้เชิญไดยหนอ อ, อกกากนั่นก็เลยไปหาปัญจวัคคีย์ มันจะภิทั้งห้าโกนธัญญะวา ป, ปะพัทยะมหานามะเอาใจชิขวัมปติใครตื่นบ้าใครตื่นบ้าอย่างนี้ใครตื่นบ้ า, บ า, า, บาถ้าใครตื่นก็เรียกว่าจิตไม่อยู่กับตัวยุบอย่างนี้ ถ้าเวลาไหนห่างกาบภาวนามักสะดุ้งอย่างนี้เลยบางท่านก็แอ บ, บกับโรคประสาทแต่เราไม่แอบบเพ่งโทษมันเลยถ้ามันตื่นเธอภาวนาไม่ดีบอกมันเลยสติเธอไม่อยู่กับตัวมันก็ตื่น เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็พบอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้พบใจว่าว่าเสียจริตผิดมนุษย์มันก็ไม่พบใจบริสุทธิ์เป็นมนุษย์เต็มภูมิจึงพบพระพุทธศาสนาพบอยู่ที่ใจหาพระพุทธศาสนาก็พบอยู่ที่ใจหาธรรมศาสนาก็พบอยู่ที่ใจหาสังฆศาสนาก็พบอยู่ที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจ Blue end. ถ้าหายก็หายออกจากใจ ใ, กใจเป็นโรคทิพทิพใจทิพทำทิพมีความหมายอันเดียวกันจะทำชั่วก็ทำลงที่ ใ, ใจเพราะใจเป็นผู้ทำจะทำดีก็ทำลงที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทำเรียกว่าโรคทิพทำทิพใจทิพจะให้ผลต่างกันคำว่าทิพมั nah, นเป็นคํากลางให้ผลเป็นทางชั่วก็เรียกว่าทิพให้ผลเป็นทางดีก็เรียกว่าทิพ ถ้าไม่ปฏิบัติใจก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติผู้จะดีจะทั่วข้อใจเท่านั้นผู้ที่จะสูงต่ำรุ่มรอขึ้นในทางดีทางชั่วก็คือใจดินฝ้าอากาศไม่ได้สูงต่ำรุ่มรอขึ้นทางดีแนละทางทั่วดินฝ้าอากาศพร้อมกั น, กน เป็นมรดกดั้งเดิมจะไปเกิดที่ไหนก็อมรดกใจไปด้วยและมีบุญเป็นอาหารและมีบาปเป็นอาหารของก่เมื่อสร้างบุญเต็มแล้วก็เข้าสู่พนันธ์พานไปซักบาปก็เลยสร้างแล้วไปในตัวเดี๋ยวนี้พวกเรายัางบุกพร่องทางบุญอยู่จงได้สร้างบุญลงที่ใจ บุญญานี้ปรโลกะะัตฉงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ได้บัญญัติว่าบุญบัญญัติว่าทาอันไม่ตายไม่เป็นหน้าที่จะบัญญัติบุญอีกเพราะไม่สมฐานะพระนิพพานเพิกษุบาสุบาสิกา พระบรมศาสดนะเธอทั้งหลายคําว่าบุญๆเธอทั้งหลายอย่าไปกลัวเธอทั้งหลายจงกลัวบาปกลัวก็กลัวอยู่ที่ใจของพวกเธออุนใจก็อุ่นใจอยู่กับพวกเธอคําว่าบุญเป็นเครื่องอุ่นใจคำามาตกถึงใจท่านผู้ใดบาปคําว่าบาปตกถึงใจท่านผู้ใดก็เป็นเครื่องเออดือดร้อนไม่น้อยก็ต้องมากตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นที่ใจที่สร้างขึ้น บุญเป็นกุศลกรรมอนัตตาบุญเป็นของที่ควรสร้างขึ้นที่ใจอนาตตาบาปเป็นของที่ควรเว้นในใจอัตตาบุญก็เป็นของที่ควรสร้างขึ้นที่ใจอัตตาแปลว่าตนอัตตาบาปเป็นของที่ควรเว้นที่ใจใจเป็นนี่ใจ ใจก็เลยมาท่องเที่ยวในวัดตารสงสารเพราะยังใช่หนี้ของตนยังไม่หมดหนี้โลภหนี้โกรธหนี้หลงยังชำระสะส า, สาไม่หมดก็จำเป็นได้มาเกิดท่องเที่ยวในวัตารสงสารท่องเที่ยวไปในเกิดในแก่ในเก็บในตายบ้านของใจก็คือกายชั่วคราวบ้านชั่วคราวของใจตาหูจมูกลิ่น เป็นหน้าตาบ้านของใจตาหูจมูกกลิ่นกายเป็นประตูหน้าตาของพญาคิตราศพญาคิตราศรับเมย์ดวนดวนมาทางตาบ้าดวนมาทางหูบ้าดวนมาทางจมูกบ้าดวนมาทางลิ่นบ้าดวนมาทางตายบ้า ส่วนใจที่จะไปรักไปชังไปหลงอันนั้นมันขึ้นอยู่กับใจเป็นอิสระอันนั้นนั่นเป็นหน้าที่ของตาหงษ์มวกเรียนกายจะไปเป็นอิสระใ จ, จะต้องเป็นผู้อิสระโลกโกรธหลงเป็นของละได้ยากโลกก็ใจเป็นผู้โลกโกรธก็ใจเป็นผู้โกรธหลงก็ใจเป็นผู้หลงถ้าว่าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้ว มันก็ทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพรเพราะว่ามันเห็นว่ามันพอใช่พอสอยอยู่มันก็เลยเอามาใช่เนี่มันก็เลยมาทิ้งนี่มันเห็นว่ามีประโยชน์อยู่ว่าถ้าว่ามันเห็นว่ามันเป็นโทษมันก็ทิ้งเลยและมันก็เคยชินมานอกจากน้ม ไม่มีอันใดจะล้างสะกุลร่างกายให้สะอาดนอกจากธาตวัตสีลวัดภาวนาวัตหรือพุทธธรรมสง์หรือคําสอนของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีอันใดที่จะล้างใจให้สะอาดได้โรคกดหลงมเป็นหน้าที่จะล้างใจให้สะอาดมีแต่เพิ่มความสปกปรกโสมงเหตะ น, นั้นการปฏิบิตการปฏิบัติ เพื่อผ่อนปลนกิเลสจึงปฏิเสธไม่ได้คำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นคำสอนสาสมานสามเกีเป็นคำสอนที่รักชีวิตเป็นคำสอนที่รักสิ่งของอันได้มาโดยบริสุทธ รักชีวิตคือห้ามไม่ให้ฆ่าไม่ให้แกงซึ่งกันและกันรักสิ่งของคือห้ามมาให้รักของกันเป็นคำสอนที่หวงตระกูลคือไม่ให้ผู้ใดมาล่วงประเวณีกามเมืองสืบข้าราชารไม่ให้ก้าวกายเขารับตระกูลเขารับสมัติ ของแต่ละท่านละท่านเขารับวาจาด้วยจึงห้ามมาให้พูดปดเพราะเสียเวลาทั้งผู้พูดเสียเวลาทั้งผู้ฟังไม่มีประโยชน์ทั้งสองทางจึงห้ามดื่มสุราแต่ไม่ดื่มมันก็เมาอยู่แล้วเมาว่าตนจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายสารพัดยิ่งดื่มก็ยิ่งเมา เสียทรัพย์ก่อการทะเลาะย่าวาดเกิดโรคต้องติเตียนไม่รู้จักอายทอนกําลังปัญญาไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเห็นว่าสุราไม่มีประโยชน์เราก็เว้นได้ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่เราก็เว้นไม่ได้ถ้าเห็นดิงลงไปแล้วว่าไม่มีประโยชน์เราก็เว้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเมันกันไม่หาว่าจะให้ใครมาบังคับ ถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เว้นไม่ได้สิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เว้นไม่ได้สิ่งไหนที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ดิ่งลงแล้วมันก็เว้นได้ตามเสที่กำลังของตนตายช่างเั่ามันเถอะแบบไม่มีบุญไม่มีดอกความเห็นชนิดนั้ น, นเป็นที่อุ่นใจของตนแล้วหรื อ, อยังมาต้องตรวจดูอีก ถ้ามัเป็นที่อุ่นใจของตนมันก็จำเป็นได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนชาวทำเหมือนชาวโลกความเห็นที่มุดทะลุมันก็มุทะลุแต่เวลาที่มันโกรธแต่มันหายมุทะลุแล้วมันก็มาคำนึงอีกอยู่นั่นเองนะเออสิ่งเหล่านั้น เ, ออเราไปทำเสียแล้วเสียเปรียบแล้วแต่นี่ต่อไปเราอยากทำ มันก็เอามาสอนตนเหมือนกันถ้าผู้หวังดีถ้าผู้ไม่หวังดีก็ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้มัทธลุมุทะลุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเข้าใจดีชัดเราเรื่องเสด็จพระพุทธเจ้าคําสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา เป็นำคำําสอนที่ตายตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปทางไหนเป็นคําสอนที่ใหม่ๆอยู่ถึงเป็นคําสอนเก่าก็เป็นคําสอนใหม่ๆเป็นธรรมอันทรงหนู่ไม่ตายไปไหนคําสอนก็มีแต่แมนุษย์ะเทวดามารภูมิหรือสัตว์ติสารหรือพวกเราที่ตายออกจากคําสอนขององค์ท่านคําสอนขององค์ท่านไม่ตายไปไหนเป็นของมีอยู่เป็นของกิ่งอยู่ไม่มีกางวันกลางคน มีอยู่ทุกคนทุกแข่งไม่เหมือนกัซับภายนอกซับภายนอกคนนั้นเอาคนนี้เอาบ้าไฟไหม้บ้างโจรลักบ้าก็คิดถึงกันว่าคนนั้นไรน้อยคนนี้แรงมากส่วนทมคำสอนของพระบรมศาสดาใครจะเอาสักเพียงไหนก็หมดไม่เป็น ไหลมาเหมือนน้ำพราะบรมศาษฎสดาลงทุนสั่งสอนโลกสร้างบาลามีมาสี่อสงไขยแสนมหากัตัตพวกปัญญาทิกะพวกศรัทธาทิกะก็แปดอสงไขยพวกวิทยะทิกะก็สิบหกอสงไขย จึงได้มาเทศนาสั่งสอนชาวโลกรื้อไปรื้อไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคถึงอย่างนั้นก็หมดไม่เป็นก็เกิดมาอีกตะพฤกตะเพือมหาเมตตามหากรุณาดังสาครไม่มีใครเสมอเหมือนพระสมมาพระพุทธเจ้าเลย เมตตาคารณามงสาครโปรดมูประชาครมรอกขะกันดาชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุกเกษมสารชี้ทางพระนเพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร่มเบนปปิตจักรสุจริตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ใกล้ก็เจนจบประจับจริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตโลกได้พึ่งพิงมรดบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนบน้อม วบเสียเกล้าบังคมคุณสัมพุท ธ, ธาการุณตลอดกาลนานเถินสงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควรนเห็นแจ้งจตุสักสิทธิ์บันลุทางที่อันระงับระดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระผู้ตัดไตปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวหมอง เหมือนทางทางท่าสืบปองบอมิลำพองด้วยกายและวายจายใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสารแก่โรไก่และเกิดมีบุญพูลผลสมยาเอารถพศุลมีคุณ อ, นนอนเนกจะนับเหลือตาข้าข อ, อนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุกคุณประดุจรำบันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตและอันอุดมดิเรกจะรัตใส จงช่วยกระจัดโพเหภัยอันตรายลายใดจงดับแบกกลับเสื่อมศูนย์แต่ก่อนเข้าโรงเรียนจําได้รัชกาลที่หกแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเอ่ยเลยเหตุฉะนั้นเด็กมันจึงยุ่งยากเหลือเกินไม่ได้ยินเสียงเอ่ยไม่ได้ยินเสียงกราบไม่ได้ยินเสียงไหว้ปางเมื่อพระองค์ปรมามพุทธท้าวสุดทศาสด า, าตัตรุอนุตตะสมา ทินาโภนะบันลังขุนมานสาหัสสภาพโมพาหูวิชาวิจิตรขังขีคีเดเมครปปะทางขาจะเงียมกระหืนหารแท่งเศกสระอุทธะปิริ์คราคิดจารนลานรุมพลพหลุนพยุหะปานถ้าสมุดท่านองมาหวังเพื่อพระจนวรมนุนินท้าสุชินนาราชาพระปราพหุนพยุหมาและมาเรืองมาลายศูนย์และมาเรืองมาลายศูนย์พระบรมศาสดปามา ด้วยเอเดชพระองค์พระทศพลสุวิมลนละไพบูร์ธานาทิธรรมวิธีกูลชนะน้อมมโนตามด้วยเดชชาสัจจวัจนาและนา ม, ามิองสามขอจงนิกรพระรยามชีสทิที่ทุกวนันถึงแม้จะมีอริวิเศษพลเดชเทียมมานขอไทยพระชนพิชิตผานอริแม่มุนินทร์ไม่ได้ยินเลยทุกวันนี้ ที่นี่กส็สวดภาหงแต่ก่อนภาหงสาสามาพินิมิตาตัวุธานตังรีเมลังวิทิฏโค拉萨เสนามางตานาทิธรรมวิธินาชิตาวาโมนินโตตันเตชะสาภาตุเตชยาสิทเตนิจังสุทตันเลิกได้ยำตัวยืน่นคำนับโตรุษระบุบ่บุบ่บไปจ้อย เสมอเลยว่ได้ยินเลยแล้วพ่อเล็กหน่อยมันสอนยากเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเสมือเนี่ยตื่นเชิญมาเอาผ้ากันเอาเต้า้น้ำง่วนให้มันจินน้ำเมล์ให้กิ่บะผ้ากันอยู่ไฟอือยามันห่อนหลังเอาเต้าหู้ง่วนนกว่ยให้ลูกกินมันลราบอกยากที่เสมอเนี่แม่บอก บอกยากสอนยากันตัวได้กี่กินน้อแ ม, ม่แล้วบ่จำเป็นหรอบ่กินน้องงวอน้งควายล่ะคําสอนอันใดที่เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาะคําสอนอันนั้นควรรักษาไว้คําสอนอันใดที่ปีนฝ่ายพระพุทธศาสนาะ คำสอนอันนั้นอย่าไปส่งเสริมสอนก็คือสอนใจผู้เรียนก็คือใจเป็นผู้เรียนผู้ฟังก็ใจเป็นผู้ฟังทนคนตายฟังไม่เป็นผู้เขียนก็ใจเป็นผู้เขียนคนตายเขียนไม่เป็นผู้จำก็ใจเป็นคนจำคนตายจำไม่เป็นผู้พูดก็ใจเป็นผู้พูด คนตายพูดไม่เป็นผู้ฟังเข้าใจเป็นผู้ฟังคนตายแล้วฟังไม่เป็นมีหูอยู่มันก็ไม่ได้ยินเพราะแม่ไม่ไม่เจ้าอยู่ที่นั่นเว้นไม่แต่คนหูหนวกถึงหูหนวกก็หาหูจิบมาใส่อยู่มันก็ฟังได้อยู่เหมือนกันทำไมีอยู่อู่ของทำก็คือใจเป็นผู้โลกผู้โกรธก็ใจเป็นผู้โกรธ ใครจะมาละให้ตามันก็ไม่ละให้ตามันก็ไม่เห็นโทษหูมันก็ไม่เห็นโทษจ่หมูกมันก็ไม่เห็นโทษเลิ้มันก็ไม่เห็นโทษตายก็ไม่เห็นโทษและไม่เห็นคุณอนไรด้วยก็เป็นหน้าที่ของใจเท่านั้นไม่มีใครจะมาแย่งทํางานนอกจากใจแล้วทำไมใจจึงมีปัญหามากเพราะใจทยาทยานในวัฏสงสารมาก ใจก็มีปัญหามากสิถ้าใจเคหลาบว่าเรามาอาศัยสกุลร่างกายอยู่ทุกชาติทุกภบแล้วมันไม่อยู่กับเรามันตายไปนี้จากเราซะไม่สมฐานะที่เรารักมันถ้าใจเห็นโทษอย่างนั้นใจก็จะละอามาเกิดแก่เก็บตายในวัฏุกสารอีกใจไม่เห็นโทษอย่างนั้น ความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกถ้าตึกไปในทางดีก็เป็นกุศลถ้าตึกไปในทางชั่วก็เป็นบาปกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเห็นทำแล้วท่านผู้ใดพยายามเว้นกามวิตกความติในทางกาว เว้นพยาบาทวิตกความติในทางพยาบาทเว้นวิหิงสาวิตกความติในทางมาทเบียดเวีย น, ยนผู้นั่นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดส่งเสริมในการมาวิตกผู้ใดส่งเสริมในพยาบาทวิตุกผู้ใดส่งเสริมในวิหิงสาวิตกผู้นั้นจะยืนยันว่าปฏิบัติธรรมสักเพียงไหนก็เป็นการโกหกพกลมตนเอง กาเมวิตกพยาบาดวิตกมิหิงสาวิตกเธอทั้งหลายจงทําให้พินาศจงทําให้อย่าให้มีเกิดอีกกามวิตะกังวิโนเทติพยันตีกระติอะณะภาวังคามนติเธอทั้งหลายจงพยายามให้พินาศเสียเดี๋ยวเธอทั้งหลายอบิร ม, มากก็เดือดร้อนกับเธอถ้าได้สมหวังพวกเธอก็ติดอยู่ถ้าไม่ได้สมหวังพวกเธอก็ฆ่าแกงกัน มีสิงสาวิตกความเบียดเบียนก็เหมือนกันเวนสนองเวนไพยสนองไพรพยาวิบาทวิตกก็เวนสนองเวนไพยสนองไพรเธอทั้งหลายจงเห็นโทษซักพระบรมศาสดาเบียดเบียนเธอเธอหามาเบียดเบียนเธอถ้าไมมันเป็นที่สบายใจของพวกเธอพวกเธอก็เว้นสักถ้าเป็นที่สบายของเธอพวกเธอก็เสพไปสิ กาเมตตตกจะน้อยลงก็เพราะเหตุใดก็พิจารณาสกลากายให้สกปรกโฉมมุมให้เห็นชัดพยาบาทวิตกจะเบาลงก็พระพิจารณาเมตตาวิหิงสาวิตกก็เหมือนกันโดูนิสีทุกฝันหน้าจงเป็นสุขในพุทธกรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดพยาบาทวิตกก็เบาลง ภิสุสามเณีนทั้งหลายก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ดีถ้าเธอไม่เห็นของปฏิกูลโโโคกแมตกลละกายแล้วราคะของพวกเธอก็อจับพิกษุสัมเณีนก็เหมือนกันผู้ใดนอนฝัน สุกกะเคลื่อนบ่อยๆผู้นั้นขาดการพิจารณาอาชุภะไม่รับประทานอาหารไม่พิจารณาเป็นปฏิกูลผู้ใดภาวนาอาหารเป็นปฏิกูลหรืออัชุภะต่างๆเช่นซากศพเป็นต้น ตลอดถึงอาหารตลอดถึงสกุลกายเป็นของสกรปรกทัวมมให้เห็นชัดเธอนอนหลับไปเธอก็ไม่ฝันร้ายเธอฝันร้ายก็เพราะเธอไม่พิจารณาอจุพะอจุพังและไม่เจริญเมตตา หรือไม่เจริญพุทธคุณธรรมคุณเธอนอนเหมือนโคเหมือนกระบือหลับไปแล้วเธอก็ฝันไม่ดีเห็นมงคลอันไม่ดีเพราะเธอไม่มีข้อวัดในเวลานอนผู้ได้รับคาภาวนาผู้นั้นมีข้อวัดถึงแม้จะหลายตายผู้นั้นก็ต้องไปสวรรค์นี่คือกานอนเป็นนอนหลังก็ไม่ภาวนาให้ ก็ใจเป็นผู้ภาวนานั่งก้นก็ไม่ภาวนาให้ก็คือใจแล้วก้นก็ไม่สำเนียกธรรมะให้ก็คือใจนั่นเองเดินขาก็ไม่สำเนียกธรรมะให้ก็คือใจไปรถไปเรือก็เหมือนกันรถเรือก็ไม่ภาวนาให้ก็คือใจนั่นเองไม่สำเนียกทําให้นุ่งผ้าหม่มนุ่งผ้านุ่งอะไรแต่งตัวให้สะอาดสะอาน ก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่เพจยานาทำให้แม่ภาวนาไม่ซ้ำเหนียกแม่ทำให้ธรรมะกาวังพะโวโหตุผู้ใครครวรทำเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครควรทำเป็นผู้เสื่อมทำทรงอยู่ที่ใจใจก็ทรงอยู่ที่ธรรมธรรมะอันว่าธรรมทั้งหลายที่ทรงอยู่ ตลอดถึงโลกิยธรรมมัคกกธรรมผลธรรมทำทรงไหวซึงพระสวสดาบาลทรงไหวซึ่งพระจกกะทาคามีทรงไห้ซึ่งพระอนาคามีทรงไห้ซึ่งพระอรหันต์ทรงไห้ซึ่งพระพัจเจกทรงไหวซึ่งพระสมมาเถพุทเจ้าขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติแด้น้อมหน้าเข้าหาธรรม ใจจะเป็นผู้เคารพทมหรือจะให้ทมเคารพใจใจต้องเคารพทมเรากั้นร่มร่มก็กั่นเราใจปฏิบัติทรทมก็ปฏิบัติใจศีลตัดศีลอยงเทใจทำดีใส่ตัวถือว่าเป็นของยากทำชั่วใส่ตัวถือว่าเป็นของง่าย ถ้าความเห็นชนิดนี้เป็นที่อบอุ่นใจบ้างหรือไม่ทำไมใจถึงไม่พิจารณาดูก็ไม่พ้นจะยอมจํานนต่อพระสมาธเรพุทธเจ้า ถ้าโรโกรดหลงไม่มีการพยายามจะละโลคละกดรดละหลงมันก็ไม่มีถ้าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นสุขการที่จะเบื่อหน่ายคลายหลงในเกิดแก่เก็บตายก็ไม่มีถ้าเกิดแก่เก็บตายมันสมประสงค์การนอนใจในวัฏสงสารก็ต้องมีถ้าเกิดแก่เก็บตายไม่สมประสงค์กับความปัจฉนาของเราแล้วการนอนใจในวัฏรสงสารก็ไม่สนิทนะ ปิดามันดาปู่ญาตาทวดปู่ทวดญาสวดตาทวดยาทวดของเราไปไหนหมดก็ไปหมดแล้วทีนี้เราก็จะไปตำตามกันกับท่านเมื่อเป็นดังนี้การท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารก็มีแต่เกิดแก่เก็บตายอย่างนี้มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปลปัวในแตกสลายอย่างนี้พยาคิตตลาดจะนอนใจได้หรือทีนี้ก็นอนใจไม่ได้เหมือนกัน จำเป็นเป็นเหตุให้ชวนชิดทำรรมัจจะยะความสอดสองธรรมเรียกว่าโพุทธชงวิทยะความเพียรในธรมรมปิติอิ่มใจในการพิจารณาธรรมปัสจัติความสงบใจและอารมณ์ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์สมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญารอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เขาเบะขาความวางเฉยต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พยายามทำมาโลกอันนี้เป็นโลกของท่านผูน้ใดไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกวันเวลาเป็นวันเวลาของท่านผูน้ใดไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของท่านผูน้ใดวันเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไป อายุได้แปดสิบเก้าสิบปีได้ทําไมมันล่วงไปนะพวกเราได้เป็นหมดทุกอย่างแล้วทุกวันเนี้พระเจ้าแผ่นดินพวกเราก็ได้เป็นแล้วพระธาตุดินอยู่กับพวกเราเยพระเจ้าพระเจ้าแผ่นฟ้าพวกเราก็ได้ เป็นแล้วพะ่ะแงนดูฟ้าพระเจ้าแผ่นไฟพวกเราก็ได้เป็นแล้วพราะได้อาสายไฟหุงต้มทอดปิ้งอาหารและอบอุ่นพระเจ้าแผ่นลมพวกเราก็ได้เป็นแล้วพราะหายใจเข้าออกอยูและต้องการแผ่ลมมาพัดพระเจ้าแผ่นน้ําพวกเราก็ได้เป็นแล้วพ่อดื่มน้ําอยู่ทุกวัน พวกเรายังไม่เป็นแต่พระรหัน์ถ้าเป็นพระรหัน์แล้วจึงจะหมดการเป็นจบการเป็นเพียงเท่านั้นสิงอื่นพวกเราก็ได้เป็นว่างมาแล้วได้ผ่านมาแล้วได้ผ่านทุกมาแล้วผ่านทุกเกะผ่านทุกเก็บผ่านทุกตายผ่านทุกหิวผ่านทุกอยากผ่านทุกปรารถนาไม่ได้สมหวังผ่านทุกที่พัดพราจากสิ่งที่รัก หน้ามตาได้ไหลทิ้งแล้วออประสบสิ่งที่ไม่เป็นน่ารักก็ประสบมาแล้วมีแต่ทรมานทั้งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งที่ทรมานทำไมถึงนอนเพราะมันเหนื่อย ทำไมถึงดื่เพราะมันหิวทำไมถึงไปอุจจาระปัสสาวะเพราะมันปวดหิวก็ดีปวดก็ดีผลลั์ก็คือทุกข์ทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ชื่อว่าสมทุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ถ้าอยากได้ในทางที่บริสุทธิ์ท่านไม่ห้ามอยากได้ในทางที่ไม่บริสุทธิ์ท่านห้ามอยากได้บัตรได้เบอร์ได้เลขได้ผาเนี่ยท่านห้ามมากท่านสอนให้เว้นต้องเห็นโทษในเลขในผาในบัตรในเบอร์เสียก่อนธรรมะจึงจะเกิดขึ้น ถ้าไม่เห็นโทษในเลขในผาในบัตรในเบอร์ธรรมะไม่เกิดขึ้นอ่ะไม่เกิดขึ้นที่รวงใจพอมันปิดอยู่ความคิปหายแท้เราไปบัญญัติว่ามันเป็นทางกระเดินขณะเราจะปฏิบัติทำได้นักนัดของหยาบหยาบมองเห็นอยู่แล้วก็มาฐานอันใดที่เราเคยพิจารณาก็ต้องเอาเป็นอาหารของหัวใจ กายกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะรวมหรือไม่รวมก็ไม่เป็นปัญหารวมหรือไม่รวมมันก็รวมอยู่ที่ใจจะให้มันรวมไปดินฟ้าอากาศที่ไหนน่ะถ้ามีอยู่ในใจมันก็รวมเท่านั้นมันถ้าไม่มีอยู่ในใจมันก็ไม่รวมอยู่ที่ใจมันก็อยู่ที่อื่นนั่นความดีเราสร้างแล้วมันก็รวมอยู่ที่ใจความบาปที่เราสร้างไว้แล้วมันก็รวมอยู่ที่ใจ ใจจะใสสะอาดหรือจะเว้นจากโทษทั้งปวงก็เพราะธรรมะนอกนั้นไม่มีปัญหาไม่มีที่หวังเลยยาโอสดยาโอสดก็คือธรรมะก็คือทานวัตศีวัตภาวนาวัตพุทธธรรมสงสักตัวพุทธรัตานางโอสถานอัตตาวังวงัง นีตังเทวมนุจานังพุทธเตเชะนาโสทีนานัตสัตตุปัตตวาสเพทุข้าวูปัเมนตุเตจะเพ้นทุกข์ไ ป, ปได้เพราะธรรมะแล้วก็ตัวธรรมราตนางโอจะถังตมตมังวาลังเป็นยาโอสถอยู่ที่รวงใจนีตังเทวมนุจานังธรรมเตเชะนาโสทีนานัตสัตตุปัตตวาสเพยสเพยาวูปัเมนตุเตจะไม่ไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายไม่มีพยาธจะเข้าได้เข้าสู่พระา槃ง่าย มงคลสูตรก็คือสูตรของใจรัตนะอันประเสริฐก็คือรัตนะของใจรัตนะอันประเสริฐ น, นัตตนังปณีตังเอเตนะสะเจระสุวิโหตุด้วยก่ารคาสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราถ้าใจไม่มีความสัตย์ย้ผีตัวไหนมาเป็นขษัตรูที่นั่น ถ้าใจไม่อธิษฐานความดีจะให้ผีตัวไหนไมาอธิษฐานความดีไว้ที่ใจนั่นเรามาเนี่ยเป็นมนุษย์ถ้าลดออกจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ติาชาแล้วนานเนอะจึงจะได้มาอีกปีนขึ้นยากเหลือเกินมาเนี่ยเป็นมนุษย์บุญมากมนุษย์สัตว์ปฏิราโพเป็นราบอย่างยิ่งจะไปสวรรค์ก็ไปจากมนุษย์มนุษย์เป็นทางสี่แพร่ง ดื้อยอดลงมาก็เป็นสองจะไปทางชั่วก็มนุษย์จะไปทางดีก็มนุษย์ถ้าไปเป็นสัตว์ที่รัฐานใช้แรกก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีจึงแต่พลิกจะพิกมาเป็นมนุษย์อีกถ้าพิกมาเป็นมนุษย์ก็ยังลาบากอยู่อีกเหมือนกันเป็นมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็ขาดทุนอีกเหมือนกันนั่น มึงไปทําไมมึงไปวัดไปว่ามึงไปหาพระมึงจะเอาพระเป็นผัวมึงหรือถ้าไปถูกผัวชนิดนั้นละ่ะมันก็อีกละพิษทวนทางอีกละถ้าไปถูกเมียชนิดนั่นก็อีกเหมือนกันละออนั่นถ้าไปวัดไปว่าก็ต้องทำประโยชน์ในที่วัดที่ว่า ให้สมค่าที่ไปวัดไปวาตามจติกกำลังของตนพวกมาวัดมาวาไม่ทำประโยชน์ทนี่อยู่บ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ทำอะไรมาวัดก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เสียประโยชน์ทั้งสองทางวัดก็คือมโนวัดวัดภายใน วัดภายนอกก็คือที่อยู่ที่อาศัยของเรานี่เองภายนอกจะเว้นไม่ได้อีกเหมือนกันบางท่านบอกว่ า, วาทำหรูห้าเกินไปกรรมาฐานอะไรชอบอย่างนี้เออ ห, หรูแล้วไม่ ห, หรูหราแลอวมาหลาก็เป็นเมืองขึ้นของพระสมมาทพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธธรรมพร ะ, ระสงฆ์ไม่ใช่สมบัติของพวกเราแล้วก็โอนอย่างนั้นก็มาเรื่อง ถ้าเราไปตีความหมายว่าสมบัติของพวกเราในไตโรคธาตุมันก็ขี้หึงกันกรลบลาฆ่าฟันกันตายอยู่ทุกวันนี่เพราะไม่โอนว่าเรามาเล่มกล้าเล่มขี้ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจว่าไตโรคธาตุเป็นของพวกเราเหตุฉะนั้นมันจึงมาแย่งกันถ้าบอกว่าเป็นขี้เป็นอุจจารปัสสาวะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านผู้เข้าสู่พระนปันเนี้ย พวกเรามาแย่งกันจินในไจรโกท่าเนี่ยเหมือนหนอนถ้าเราเนื้ออย่างนั้นแล้วการทะเลาะวิวาดกันก็เบาลงลการขี้หึงกันก็เบาลงออกเหมือนกันนั่นเห็นลมเข้าลมออกหรือไม่ ลมเข้าลมออกเป็นกรรมฐานเอกในทางพุทธศาสานาถ้ากำหนดลมเข้าลมออกอยู่มีผู้มาตุ้มอย่างนี้ก็ไม่ตื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมอยู่ที่พระสติพระปัญญาพระจิตพระใจ แปดหมืนทีพระธรรมขันธ์ก็มารวมอยู่พระสติพระปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มารวมพลกันอยู่ที่พระสติพระปัญญานั่นเองกําหนดลมหายใจเข้าออกก็คือรวมบุญไวท้ทเทนั่นรวมสติไว้เทนั้นรวมปัญญาไว้เทนั่นตายคาลมเข้าลมออกก็ไปพรหมโลกทํำให้พ้นทุกข์ เวลาเราเจ็บป่วยลงเรากำหนดลมเข้าลมออกให้รู้จักตาคาลมเข้าลมออกเอาไปพรมมาโลกอย่างต่าอย่างสูงก็เป็นพัสดดาอย่างกลางก็เป็นพัสดดาวันและสักคาคามีอนาคามีอย่างท้ายก็เป็นพาาระรหัเคล็ดลาบก็เคล็ดลาบพร้อมกับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกข้างหนึ่งเป็นวัดตาสงสารรอบหนึ่งแล้ว เป็นโลกรอบหนึ่งแล้วเป็นทุกรอบหนึ่งแล้วนักก็เป็นกุศลพ้นบนรอบหนึ่งเองเหมือนกันเราเลื่อมใสในศาสนาพระโครุมก็เท่ากับว่าเลื่อมใสในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุเป็นคําสอนอันเดียวกันนั่นชัว่วโมงละบ่อเออ ต่อไปนี้ก็จะให้พรเพี่อน้องชาวพุทธทางหลายออมุดเดียวนึกว่าไหนพเพีกยเกือเท่ได้หนิ <c oughs> ยะทาว่าดีว่าหาโพราปริปุริมทิสาคลังเอวามววายโตทินนางเปตานังบกปติอิจิตังปจิตังทุมหังเขปะเมวะสเมช ท, ทุตุ สเพภูเรนตุสังขปากันโทปณารโสยะามณีโชธิรโสยะาสพิทโยวิวัชันตุสัพปุโคสัพพโยสัพโรโควินัสสตมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีธีคายุโกผวะอภิวาธนาสีนิสสนิจจังวัฏพาปจาเยนุฉัตาโรธรรมวัทันติ อายุวันูสุ ข, ขังพระลังจะให้พรมงคลจักรวาลใหญ่เน้อสีริชติมาติเตโชช ย, ยสิทธิมหิตทิมหาคุณาปริมิตะปูญญาธิการัศสสะ พ, พันตายานิวารณะสมัตทัสสะพระคาวตโตราโตสัมหาสัมพุทธสัสสะ ทวดติงสามหาภูริสัลกนารานุภาเวนะสีตยานุพยัญชนะโนภาเวนะทุตระมังคารานุภาเวนะพนัญสยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทปารมิตานุภาเวนะทอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถานุภาเวนะสีรสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชะานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะยยะธมานุภาเวนะ จตุราศีทิสาธรรมะขันธานุภาเวนะคุณแปดหมื่นสีพระธรรมะขันธ์พิทกัตยานุภาเวนะจตุราศีทิสาธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมาธรรมะเก้าประการอัฏฐานชิกามะคานุภาเวนะอัฏฐานชิกามะฆะแปดอัฏฐานสมาปฏิยานุภาเวนะจารพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะ อริยสัตสีทศพรรายา น, านุภาเวนะทศพรยานสิบพรัพยนิทยา น, านุภาเวนะเมตตากรุณาเมิตาเปียาอนุภาเวนะมวแตะแฝงอยู่นี่มันกับรรวสุเลยทพปริตานุภาเวะนะตรณตยัชนานุภาเวนะ ตัหังสปารกสโคุปตาโตโทมานาสุบายสาพีนาสันตุสังกับปาตัวหังสเมจันตุทียคาโยต้าตัวหั่งโหนตุสตวัสาชีเวนสมาีโกโหตัสปทาอาคาสปปะตนาภูมิยาังคามหาสมุธาอาราคาาเทวตา นาทาตูไม่ละขันตุพระวจสดพมังคารังคันตุสะเทวตาสะพัคุทานุภาเวนะนาทาสวดทีพระวันตุเตพระวจสดพมังคารังคันุสะเทวตาสะพัมานุภาเวนะาทาสวทีพระวันตุเตพระวจสดพมังคังคันุสะเทวตาสัสงคานุภาเวนะสาทาสวดทีพระวันตุเตอยู่ทุกว่อไม่มีประมาณนั้นตนเื่อตัวธโมสังโกเนปภาณังอะไปเล Á, เดือนสามข่อยร่ม้าหนาวนวงเมือยหมอกหน่อยห่มใหม่นวงหนาวค้าโบราณค้าโบราณเดือนสามข่อยร่มหนาหนาวนวงเหมือยหมอกหน่อยห่มใหม่นวลหนาวเดือนสาม่อยร่มาร่มหนาหนาวนวลเมือยหมอกหน่อยห่มใหม่อห่มพืนแผ่นไถข้ามโบราณ ภาวานาในเรอฝันเห็นพอลักเทียวบ่ะฮะพอมอยามอย่ามย่าไมเจอป่แพร่เมตตาถึงพอนขันเห็นพอ้วเอาเขาของไอ้เกลือไปไส่บาดเรอฝันเห็นพอนะเอเขขอใจถึงสนาคมใจนในหน่อยพิ่นนี่นั่งใจถึงสนาคมใจนในหน่อยพ่น <c oughs> แต่อายุสปีพ่น ถ้อยายุสองปีผัวนางเนี่ใจถึงสนาคมไปบินท่าบาเรลลุกขึ้นอีแม่อีแม่แ ม, แม่เล้ยนะท่นคู่บาฮ้่ม่าแล้ว น, น ะ, ะเพราะก็เปลี่ยนเนี่ยว่าคูบาฮัม่าบินทาบาทแม่เล่ยนะ่างใจถึงใจสนาคมจะเป็นเล็กน้อ ย, อยนะพนจะเ ก, กีมอย่บานเนี่ยะพออผ้าไปพนพอประชุบพ้าย่บานน้องสู ประค่าเยอคนเขาก็หาจินกลุมปากกุมทองเขาได้หลลูกล้านหมดเน่ยความซัดซื่อเขาเขาว่มเบียนเบีย น, นผู้ไดเร่าเร่เดี๋ยวเดี๋ยวเๆๆ อยา่าพากันไปผูกเอาเลขเด้อ ก, กันไปผูกเอาเลขล่ะเขาเกระว่าผูกมาแต่พูดจระกอกือเขาเก็ว่าเอามาแต่พูดตระกอกพิษเขาเก็ว่ามาแต่พูดจระกอกตัวรงพูดจะกอก็เป็นผูดจะกอเลขผู้ใจสูงเขากะเบือที่ฮะเนี่ยบอกสั้นเหรอผู้เขาไม่ทำสั้นสูงเขากะเบือตัวเขาบอกว่าปฏิพฤปฏิบัติดีไปบอกเลขบอกผ้า พ ญ, ญายมตัวเขาดูถูกเรียนท่าพระพุทธศาสนาญาติภาคกับไปเฮดเดอร์ขันทักพระพุทธศาสนาคันทักผู้ขาขันตีเบียดเบียนผู้ขาหน่อยแม่หนูขันทักผู้ขาในย่าะกับเป็นผูก อ, กอเลขคขันทักพระพุทธศาสนาขันทักษจกของมันะขันสั่งจกของแล้วพระกับเป็นเลขตายกับว่ามีเงินซื้อก็ไฟเลยมันออกมาพ่อ พ, อพอบ่มีเงินซื้อก็ไฟพระ พือใดอยากโบมีันเงินซื้อกาแฟใ้าไปเรเรรู้ๆตายบ่แดงมีเงินซื้อกาแฟผ้พร่ะบ อ, องฉันว่ามันหมดเด้เ ย, อยเอายังซื้อไปเนีนเมือ่อเนี่ยเ ป, ปน็นซุกเป็นซุกกันเนี่อัถาดเพื่ใดพรกันเอาเรื่มเอาไปเอะจะพร ก, กันเื่มเนอถาดเนอ